รุ่งขึ้นอีกทั้งวันเต็มๆก็ยังไม่มีสิ่งใดกระโตกกระตากและก็ยังไม่มีข่าวจากคณะติดตามไอ้แหวงอีกตามเคยผมเริ่มสงสัยตั้งแต่คืนที่ห้าแล้วบุญคําพูดเพราะผานใหญ่สั่งไว้ว่าภายในไม่เกินสามคืนจะต้องพบกันแต่นี่มันล่วงเข้าไปคืนที่ห้าแล้วยังไม่มีข่าวผมเริ่มไม่สบายใจปรึกษากับเสยและจันทร์อยู่นึกเดาอะไรไม่ถูก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 และเรื่องถูกน้ำป่าจนกระทั่งพวกเจ้านายพบเข้ากับจงอางยักษ์ตัวที่พวกผมยิงเจ็บเอาไว้เมื่อบ่ายนี้ขณะที่เดินตามหลังกองเวียนมานั่นแหละไอ้งูจงอางเวียนตัวนั้นแหละทําเอาพวกเราหกคนที่เดินตามหลังมาแทบย่ําแย่เพราะบุญขามยิงมันไว้ให้เจ็บดาดินดองบอกมาจากเตียงสนามที่หล่อนเอ็นกายเครื่องนั่งครึ่องนอนอยู่เชิงต่อว่าบุญขามยิ้มแห้งๆบนอะไรพาอยู่ในลาคอ เชษฐาก็เตือนให้พรานอาวุโสของรพินเล่าเหตุการณ์ต่อไปคืนที่ห้าผ่านไปท่ามกลางความกขมวนกวายของฝ่ายกองเกวียนทั้งหมดที่รอคร้างตึงอยู่บุญคำตัดสินใจอย่างใดไม่ถูกทั้งสิ้นในที่สุดก็ตกลงกันระหว่างพรานสามคนภายหลังการปรึกษาว่าจะหยุดพักกองเกวียนรอคอยอยู่ที่นี่ต่อไปให้ถึงที่สุดโดยไม่เคลื่อนเดินทางต่อครั้นแล้ววันที่6กก็ผ่านไปอีกวันหนึ่ง ผมคิดว่าถ้าครบอาทิตย์ยังไม่ได้ข่าวผมก็จะย้อนออกตามเองโดยให้สวยกับจันคุมเกวียนทั้งหมดอยู่ที่นี่ก่อนบุญคำเล่าถึงความรู้สึกข้อตัดสินใจของตนก่อนจะวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองก็ได้มาถึงยามเย็นมหาวินาสดังเช่นที่ปรากฏมาแล้วโดยไม่มีวี่แววใดๆมาก่อนทั้งสิ้นทุกคนกําลังพักผ่อนหุงหาอาหาร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 เวลาอันคับขันชีวิตแขวนอยู่นบนเส้นได้นั้นจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ผ่านทั้งสามของรปินต่างจําได้แต่เพียงว่ายิงกันจนไหลลา้าต่อมาขโขงช้างลุตจอยก็เคลื่อนผ่านบริเวณแคมป์ปราวกับพายุและอึจใจใหญ่ใหญ่ต่อมาท่ามกลางการกู่เรียกหาพักพวกกันเองทุกคนก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดเซ็งแส้ขึ้นอีกทางด้านใต้นั่นเป็นเสียงรมการระหว่างมนุษย์กับช้างขโขงนั้น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 เชษฐาจุดกล้องอย่าเส้นสูบช้าๆมองผ่านทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นไปสบตารลบินแล้วเอ่ยขึ้นแผวต่ำว่าปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ที่เราควรจะคิดกันก็คือไอ้แหว่งมีรูปโขรงในควบคุมของมันสักกี่ตัวกันแน่พลานใหญ่เม้มริมฝีปากกลีตตาลงสีหน้าเต็มไปด้วยความหนักใจผมก็กาลังคิดอย่างคุณชายอยู่เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องลึกับ จำได้ไหมเราประท่า ก, กับมันครั้งแรกฆ่าพวกมันไปได้ตั้งเจ็ดปดตัวเมื่อเย็นอีกแปดตัวบุญคํากับพวกที่แคมป์นี่ยิงคว่ำไปอีกสิบสองตัวรวมทั้งหมดก็ร่วมสาสิบตัวเข้าไปแล้วแต่ตอนที่เราตามรอยมันมาตั้งแต่ต้นก็คํานวณกันว่าโขงของมันมีอยู่ในราวสาสิบกว่าตัวเท่านั้นระพินยกมือรูปคางแล้วหันไปมองดูพรานพื้นเมืองของเขาสามคนซึ่งประจันหน้ากับโขงไอแหวงขณะที่มันบุกเข้าเหยียบแคมป์ ก่อนที่เขาจะถามเช่นไรบุญคำก็บอกมาโดยเร็วว่าโอ้ยไม่ใช่ส0สิตัวหรอกครับเจ้านายตอนที่มันบุกแคมป์มืดฟ้ามัว ด, ดินไปหมดหันไปทางไหนก็พวกมันทั้งนั้นแต่ละตัวเท่าบ้านเท่าตึกอาจห้าสิบหรืออาจเป็นร้อยๆใครจะรู้ได้แต่รู้ว่ามันมากมายจริงๆเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นโขลงช้างที่ไหนมากมายเป็นกองทัพเท่าครั้งนี้ไม่เชื่อถามให้พวกนี้ดู เสยจันและนายเมยอยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเชิดฐานะผักยน่นมองดูพรานใหญ่นิ่งไปอีกครั้งครูหนึ่งก็พูดออกมาเหมือนกระซิบเอแปลกจริงทำไมครั้งแรกเราเห็นโขลงของมันมีอยู่เพียง30กว่าตัวเท่านั้นมันไปเอาพลพักคมาจากไหนถึงมากมายก่กองถึงเพียงนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันในข้อนี้ระพีนตอบแผ่วเบาอัดควันบุหรี่รึจันก็พูดมาเสียงแหบๆว่า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 ระหว่างที่พรานใหญ่เงียบขึ้นไปด้วยอาการไข้ครควญหนนะักเชษฐาก็หัวเราะขึ้นเบาๆในราคอถึงอย่างไรดีรัชานมันก็ต้องเป็นดีรัชานอยู่นั่นแหละไม่ว่ามันจะมีกําลังมากมายสักขนาดไหนจะฉลาดด้วยเล่ห์กลอบายเพียงไรแล้วก็ต้องฟาดกับมันให้ถึงที่สุดและกําจัดมันให้ได้แล้วหัวหน้าคณะเดินทางก็หันไปทางพรานพื้นเมืองและหัวหน้าลูกหาบยิ้มกว้างๆต่อให้ไอแหวงมีรูปโขลงสักพันตัว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 โชคยังเข้าข้างมันอยู่ตอนที่ประจันหน้ากับพระพินก็เป็นเวลาที่กระสุนหมดพอดีตอนเหยียบแคมป์พวกที่ถือไรเฟิลก็ไม่เห็นมันกลับไปพบกับพวกที่มีปืนลูกซองแต่มันคงไม่โชคดีอย่างนั้นเสมอไปนักหรอกว่าแต่ขวัญของพวกลูกหาบเราเป็นยังไงบ้างชา ย, ยันถามขึ้นอย่าง ก, กังวลมองหน้าพระพินแล้วเหลือไปที่นายเมย์อาจเป็นหัวหน้าลูกหาบพวกเขาหวาดกลัวขวัญเสียกันมากครับ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 โดยผมจะสั่งความไปถึงคุณอัมพลภายหลังจากถึงหล่มช้างแล้วให้เข้ารับเป็นธุระจัดการจ่ายเงินเฉยนี้ให้พวกเขาเอาคําสั่งของผมไปถึงคุณอัมพลและให้ญาติผู้ตายไปรับเงินได้และพินเรียกนายเมย์เข้ามาอธิบายให้ทราบตามคําสั่งของหัวหน้าคณะภายหลังจากเข้าใจตลอดหัวหน้ารูคหาบก็ยกมือขึ้นไหวท่วมหัวสีหน้าแจมา่มใสสดชื่นขึ้นในายใหญ่ใจกว้างเหมือนท้องฟ้าพวกผมที่เหลือจะรับใช้ไปจนถึงที่สุด ไม่คิดท้อถอยเลยดีมากกลับออกไปบอกคนของนายเมยให้รู้ไว้ทุกคนไอแหว่งอยู่พวกเราตายไทแหว่งตายพวกเราชาวป่านในระแวกนี้ทั้งหมดจะนอนตายหลับและความกล้าหาญเท่านั้นที่จะชนะมันได้ขี้ขาดมีแต่ทางตายนักมนุษยวิทยาคนสวยกล่าวเสริมมาด้วยเสียงอันัยกังวลและพินบอกให้ทุกคนออกไปจากกระโจมพักได้คงจอยู่เฉพาะบุญคามพรานอาวุโสของเขาเท่านั้น เพื่อร่วมหาหรือวางแผนติดตามไม้แหวงกับคณะนายจ้างทั้งสต่อไปยิ่งรวมรันกับมันนานไปเราก็เห็นชัดขึ้นทุกขณะว่าช้างตัวนี้มีอะไรพิเศษเหนือกว่าช้างธรรมดามากไม่ว่าจะความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบและความพยายามจองเวรของมันเชี่ยวากล่าวขึ้นด้วยเสียงเครียดไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่มันไปเอาพักพ่วงบริเวณมากมายมาจากไหนรวมกําลังกันเป็นกองทัพเตรียมบุกเราเช่นนี้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 อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเช่นที่ผมได้บอกแล้วคือไอ้แหวงร้มตัวเดียวตัวอื่นๆต่อให้มีมากมายสักแค่ไหนก็ไม่มีความหมายคุณวางแผนยังไงต่อไปชยันถามระพนินิ่งไปครู่ล้วงแผนที่ซึ่งเขาทำไว้ข้าวๆเกี่ยวกับภูมิประเทศในแถบป่าไหวออกมาคลี่พิจารณาแล้วเงยขึ้นมองดูหน้าคณะนายจ้างทีละคนมาสุดสิ้นอยู่ที่ดาลินผู้นั่งพิงหมอนอยางและผ้าแรงเกตอยู่บนเตียง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 ดาดินดินยันมาอย่างมั่นใจและแก่งเกินเพศพวกคุณอิดโรสะบักสะบอมมาจากการเดินทางที่แล้วมาจอมพรานกล่าวขึ้นเป็นกลางกลางกับทุกคนผมคิดว่าพรุ่งนี้เราควรจะพักเฉยๆกันสักวันหนึ่งก่อนเอาแรงไว้มาลืนค่อยเริ่มต้นกันต่อไปสําหรับพรุ่งนี้ผมกับบุญคาเพียงสองคนจะลองออกสํารวจล่านาดูก่อนพวกคุณชายพักผ่อนกันให้เต็มที่ภายหลังจอกมองดูหน้ากันเองอยู่ครู่ เชิถากับชายานก็ก้มศีระลงอย่างเห็นด้วยดีเหมือนกันพวกผมจะพักกันสักวันเราไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรนักเพราะถึงอย่างไรระหว่างเรากับไอแหวนก็เป็นศึกติดพันยืดเยื้อเสร็จแล้วเอาให้แน่ๆดีกว่ายอมรับว่าเจ็ดเป็นวันที่ผ่านมานี้พวกเราแยกกันเต็มที่คอนปืนก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วได้พักสักหน่อยก็ดีเชิดถาว่าว่าแต่ว่าจะยึดที่นี่เป็นสถานีกลางตลอดไป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 เพราะมันจะเริ่มเน่าเป็นอันว่าขบวนเกวียนทั้งหมดของเราจะพักอยู่ในเขตป่าไวนี้ตลอดไปโดยไม่เดินทางต่อจนกว่าจะจัดการกับไอ้แหว่งได้เรียบร้อยไม่งั้นห่วงหน้าพวงหลังเปล่าคณะนายจ้างไม่มีใครคัดค้านความเห็นของเขาชายยานเดินเข้าไปที่หีปลาเฟินแล้วหันมาทางเชี่ยาฉันคิดว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปไรเฟิลของเราทุกกระบอกตั้งแต่ขนาดจุดสองขึ้นไป ควรจะให้มันถูกใช้เป็นประโยชน์ครบถ้วนทุกกระบอกดีกว่าจะให้มันถูกเก็บไว้เฉยๆสถานการณ์ขับขันเข้ามาเต็มที่แล้วถึงแม้บางกระบอกมันจะเล็กไปหน่อยก็ยังดีกว่าลูกซองในกรณีที่เราทำสงครามกับโครงไอ้แหว่งถูกของชายยานคับพี่ใหญ่ดารินสนับสนุนมาโดยเร็วเมื่อเย็นนี้ตอนไอ้แหวงบุกแคมมีไรเฟิลเพียงสากระบอกเท่านั้นที่ยิงปะทะนอกนั้นเป็นลูกซอง ถ้าพวกลูกหาบของเรามีไรเฟิลติดมืออยู่พวกมันจะตายมากกว่านี้ไอแ้แหวงเองก็อาจเสร็จไปแล้วเชิดขาพงกหัวอย่างเห็นชอบด้วยแล้วหันมาทางระพินตกลงแจกไรเฟิลที่เหลือทั้งหมดให้แกลูกหาของเราประจํามือเถอดระพินจะได้ผลหรือไม่ได้แค่ไหนผมก็ต้องมันก็ต้องดีกว่าลูกซองแน่ๆจัดการเสียเดี๋ยวนี้แหละถ้าหากไม่ครบคนใครที่ยังถือลูกซองอยู่ก็แจกลูกโดดให้เรามีลูกโดดมาด้วยหลายกล่องเหมือนกัน าใหญ่รังเลอยู่ชั่วครู่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจปินบัติตามคำสั่งของนายจ้างเมื่อเชษฐาพยักหน้าเตือนมาอีกครั้งตรงเข้าไปสำรวจดูไรเฟิลที่เหลือพบว่ามีจุด 30-06 อยู่2กระบอกจุด 3-30 เอเธอร์บีแมกนัม1กระบอก 30-30 แบบคารนเวียง1กระบอกและจุด 2-70 เวินเชสเตอร์แมกนัมอีกระบอก1รวมเป็น5กระบอกไม่นับปืนลูกกลด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 ซึ่งยังดีกว่าปืนลูกซองเดียวหรือปืนแก๊สอันเป็นอาวุธคู่มือเดิมของพวกลูกหาบอธิบายกลไกปฏิบัติงานและวิธีใช้ให้ขึ้นใจแต่ละคนจะแน่ใจว่าคนเหล่านั้นจะต้องใช้อย่างได้ผลเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นแล้วทั้ง3มก็พบกับความประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นนพินโผลกลับเข้ามาในแคมป์ถือจุดสามศูนย์ศูนยเอทอร์บีแมกนัมของชายยันติดมือเข้ามาด้วยอา้าวเอากลับเข้ามาทําไมอีกทําไมไม่ให้พวกนั้นคนใดคนหนึ่ง เจ้าของปืนถามอย่างสงสัยพรานใหญ่ยิ้มก่อยๆยกไรเฟิลกระบอกงามขึ้นดูและครงสีสันช้าๆผมเสียดายเอเธอร์บีกระบอกนี้เหลือเกินครับมันควรจะอยู่ในมือของคนที่รู้คุณค่าและรู้จักใช้มันให้สมค่าสักหน่อยพวกลูกหาบของเราเห็นจํามือไม่ถึงหรอกครับอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ามันติดศูนย์กล้องด้วยพวกนั้นไม่เคยกับศูนย์กล้องมาก่อนยิงไม่เป็นหรอกไอ้คานจะถอดกล้องออกก็เสียดาย ผมคิดว่าถ้าอยากจะให้ปืนกระบอกนี้ได้ร่วมเข้าสงครามกับไอแหวงจริงๆแล้วก็หาวิธีสับเปลี่ยนมือที่จะใช้มันเสียดีกว่าชายันหัวเราะคุณเป็นคนรักและถนอมปืนเหลือเกินนะผู้กองแต่พวกเราใครจะใช้จุดสกระบอกนั้นล่ะแต่และคนก็ล้วนใช้ปืนขนาดใหญ่แล้วทั้งนั้นอย่ามัวถนอมมันอยู่เลยนาะถึงข่าวจาเป็นแล้วลูกหาบหรือพานของคุณคนไหนก็ให้ไปเถอะจะได้ช่วยกันได้เต็มมือหน่อย โรบินสันศีรษะไม่เห็นด้วยแล้วมองไปทางดารินผมว่าคุณหญิงเปลี่ยนจากจุด470มาเป็นจุดนเอเธอร์บีกระบอกนี้จะเหมาะกว่ากังครับน้ำหนักชนิดของปืนและแรงสะท้อนถอยหลังเหมาะกับคุณหญิงพอดีแฝดที่คุณหญิงใช้กระบอกนั้นอาจจะเกินแรงเป็นหน่อยทําให้การยิงซ้ำช้าไปอ้าวแล้วลิกบีก้กระบอกนี้ใครจะใช้หลอนถามเลิกคิ้วขึ้น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 ถึงแม่เอธ บ, บีกระบอกนะั้นมันจะเล็กไปสักหน่อยแต่ถ้ายิงส่งเข้าจุดสําคัญได้ต่อให้สิบไอแ้แหวงก็ไม่มีเหลือถูกของละพินเอาลิกลี่ให้บุญคำไปซิเถอนน้อยไลฟ์ฟินของเราจะได้ใช้งานได้ครบทุกกระ บ, บอกเอเธ บ, บีกระบอกนะั้นพวกลูกหากรงจะใช้มิถนัดหรอกดีไม่ไดีทําศูนย์กล้องพังเสียเ ป, ปล่าเชื่อถาบอกมาอีกคนหนึ่งแทนคําตอบหมอมรชวงหญิงคนสวยคว้าจุด470ของหล่อนโยนไปให้พรานใหญ่ พร้อมกับกล่องกระสุนแล้วรับเอาจุดส0มแมกนั่มกระบอกนั้นมาจากเขาทดลองกระชากลูกเลื่อนสองสาครั้งพางยกขึ้นส่องดูศูนย์กล้องไม่รู้ศูนย์เที่ยงดีหรือเปล่าหล่อนเอ่ยขึ้นลอยๆอยปาทํากล้องปืนออกไปทางประตูกระโจมเรียงไปยังกล่องไฟที่สุ่มอยู่เบื้องนอกแสงจากกองไฟแม้จะอยู่เพียงนิดเดียวก็สามารถรวมเข้ามาปรากฏอยู่ในเลนของศูนย์อย่างแจ่มชัดชายยานผู้เป็นเจ้าของก็บอกมาว่า รับรองฉันทดสอบไว้ที่ยงดีแล้วตอนที่ยิงวัวแดงเธอก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือระยะกเกือบแ0 0ร้อยส่งเข้าที่หมายเล็กๆได้ราวกับจับวางและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาออกมายิงอะไรอีกแต่ระหว่างการเดินทางมันอาจจะเคลื่อนไปบ้างก็ได้จะให้ดีพรุ่งนี้เธอสอบซิอีกครั้งเพื่อความแน่ใจอำนาจหยุดยั้งมันน้อยไปหน่อยนะสำหรับสัตว์ใหญ่ขนาดช้างหล่อนบนอ่อยๆขณะที่ทดลองแตะก ปอยเข็มแทงชนวนให้ลั่นเปล่าแต่มันเจาะทะลวงได้ลึกดีมากสําคัญอยู่ที่ว่าคุณหญิงต้องใช้ลูกหัวแข็งและเลือกวางกระสุนให้ถูกจุดตายของมันซึ่งในเรื่องนี้ผมเชื่อมือเต็มที่ไม่มีอะไรกังวลเลยระพินพูดดาดินลดปืนลงจ้องหน้าเขาย่ามาไซโคผู้ชาย อ, อกสามสาทุกคนเอาเปรียบชั้นทั้งนั้นแต่ละคนมีปืนขนาดหนักอํานาจหยุดยั้งแบบประกาศรศี์เพื่อหวังในความปลอดภัยของตนเอง ในขณะที่มันชาร์จเข้ามาโดยบังครั้งที่ฉันลบกลับมันด้วยปืนขนาดปัติวเหลวกระบอกนี้ปืนเบายิงสบายก็จริงแต่ตัวคนยิงเองอาจแบนเป็นกล้วยปิ้งเข้าใจช่วยกันหลอกนะแต่เอาเถอะฉันยอมเสียรู้ประเดี๋ยวจะหาว่าอวดดีอีกทั้งหมดหัวเราะในคําพูดของหลอนแล้วปืนส่งจุด45่หแปดมกนัมแอฟริกันซึ่งเชื่อถามอบให้เป็นอาวุธกู้มือของเขาในระหว่างการโรมรานกับโครงไอ้แว่งไปให้หญิงสาว ถ้างั้นคุณหญิงแรกกับผมก็ได้ครับผมเอาจุด 3.0 ก็บอกนั่นเองหรือจะแรกกับจุด 6.0.0 นไนโตรกระบอกนี้ก็ยังไหวเอาหรือชา ย, ยานเสนอหน้ามาอีกคนยิ้มยิ้มราชาสกุลสาวอันเป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะนิ่งเฉยไม่เอ่ยคำใดอีกหล่อนแกล้งพูดรวนไปงั้นเองใจจริงกำลังขยาดปืนขนาดใหญ่เต็มที่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 ปืนใหญ่แต่คนยิงไม่สามารถจะควบคุมวิถีของมันได้ย่ำอมอํานวยผลสู้ปืนขนาดเล็กแต่คนยิงเลือกยิงสั่งตามชอบใจไม่ได้ขนาดจุดหก0ในไนโตรที่ยิงไปแล้วถูกเพียงขาช้างแล้วตัวหล่อนเองก็ต้องกระเด็นถอยหลังไป19มันจะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาจุดสามนแมกนัมเป็นไรเฟินขนาดใหญ่ที่สุดและเหมาะที่สุดสหรับน้อยแล้วในการที่จะยิงมันได้อย่างส บ, บายและรักษาความแม่นยาเอาไว้ได้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 น้อยแกงพูดไปงั้นเองแหละพี่ใหญ่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะขอเปลี่ยนปืนตั้งใจจะเอาแค่จุด3006เท่านั้นในคราวนี้จุด3 0 0เอเธอร์บีมันก็ยังใหญ่ไปเสียด้วยซ้ำชัยยันกับพิษตาปิดๆหันไปมองดูระพีนแล้วครางออกมาเป็นงั้นไปนี่แหละนะที่โบราณเขาว่าน้ำไหลใจหญิงอ่านยากพิลึกก็ไม่ยากถ้าคิดจะอ่านกันจริงๆ ดาลินพูดเนื่อยๆหไม่ระบุแน่ชัดว่าเจตนาจะให้มันเข้าไปแทงหัวใจใครแล้วพีนเดินผ่าออกไปจากเต็นท์ของนายจ้างเงียบๆจัดการอะไรเฟื่องแฝดของดาลินพร้อมทั้งกระสุนทั้งกล่องให้บุญคำแล้วมอบจุดสามเจดห้าของเขาที่เคยให้บุญคําประจํามืออยู่ก่อนไปให้ในายเมย์หัวหน้าลูกหาบสั่งการตรวจตาดูแลความเรียบร้อยรอบบริเวณแคมป์อีกครู่ก็เข้าที่ล้มตัวลงนอนสู่บุรีตั้งใจว่าบุรีหมดตัวก็จะหลับ ความเงียบปกคลุมไปตลอดทั้งปางพักพวกลูกหาบและพรานของเขาเริ่มนอนหลับกันแล้วแต่ประสาทของเขาแข็งค้างไม่มีวี่แววว่าจะน่วงเลยผิดไปกว่าทุกครั้งทั้งๆ ท, ที่กลากรำหนักมาตลอดทั้งวันที่เตินของนายจ้างประตูเต็นต์ปิดลงแล้วและแสงไฟก็หลีลงแสดงว่าทั้งสามคงจะนอนแล้วจิตใจของพรานใหญ่ลอยเตลิดเคว้งคว้างไปในความสงัดเงียบเยียบเย็นนั้น เต็มไปด้วยความกังวลนานาประการอันไม่อาจจแนกถูกไอ้แหวง่งช้างร้ายผู้มีวิญญาณของมัจจุราชเข้าสิงและคอยบงการอยู่ซึ่งบัดนี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงที่จะต้องประจนประจันกับมันจนถึงที่สุดแต่นั่นไม่เป็นสิ่งที่จอมพรานของอย่างเขาจะต้องวิตกกังวลนักมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งตหากที่ทาให้ตาหลับไม่ลงในขณะนี้นับวันนานไป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 ปัดกับผมสยายดำสนิทที่ปล่อยเคลียร์อยู่กับไหลเสื้อคลุมตัวงามนั้นนายจ้างสาวของเขากับคนใช้ชาวดงทั้งสองกำลังยืนพูดลักษณะเหมือนจะหาหรืออะไรกันเบาๆรพินนอนหลีตามองดูภาพนั้นเงียบๆแต่แล้วก็ต้องลุกขึ้นและเดินตรงเข้าไปโดยเร็วเมื่อเห็นนายสาวกับบ่าวร่างยักษ์ผู้นั้นพากันเดินบ่ายหน้าไปที่โคนต้นไทรใหญ่ทาท่าจะน้ำนอกเขตกองไฟที่ก่อไว ลักษณะของหญิงสาวยังเดินกระเพลกไม่ถนัดนักเพราะความแลรของข้อเท้าหล่อนเกาะแขนแง่ทรายไว้เป็นหลักเขาเดินสกัดหน้ามาทันก่อนที่ทั้งสองจะพ้นแนวก่องไฟออกไปทั้งคู่หยุดชะงักเมื่อมองเห็นพรานใหญ่จะไปไหนกันไม่ทราบเสียงของรถหินห้าห้วนผู้คุ้มกันแสนจะน่ากลัวของเรามาอีกแล้วดาลินหันไปพูดเบาๆกับแง่ทรา ย, ายผู้ยืนเงียบสงบอยู่ แล้วหันมาทางพรานใหญ่ชูสิ่งที่ถืออยู่ในมือให้เขาเห็นแล้วพินกระพิบตางงเพราะสิ่งที่หล่อนถืออยู่คือทูปสองหนึ่งและสกอต์วิสกี้ที่ยังไม่ได้เปิดอีกขวดหนึ่งไม่ตอบเช่นไรนอกจากมองดูหน้าเขานิ่งๆอยู่เช่นนั้นทูปแล้วก็เล่าหมายความว่ายัางไงกันลูกจ้างเจ้าขากรุณาพูดกับนายจ้างให้เปรอดหน่อยจะได้ไหมเจ้า อย่างน้อยที่สุดคุณก็เป็นคนที่เจริญแล้วคนหนึ่งไม่ใช่บาเบีเลียนมาจากไหนหล่อนพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ความหมายบริภาสวาจาที่อ่อนหวานไพเราะมันไม่ได้สแสดงถึงความเจริญของบุคคลเสมอไปหรอกว่าแต่คุณหญิงยังไม่ได้ตอบผมเลยจะไปไหนขอรับกับผมถือกวดเล่ากับทูกมาด้วยฉันจะมาแก้บนดารินผู้ท่วน พระผีลืมตาโตจ้องหน้าหล่อนและวแทบจะหัวรักค้ากออกมาดังๆแต่สะกดกั้นไว้แก้บนใช่นึกยังไงขึ้นมานี่ทําไมถึงจะมาแก้บนเอาเดี๋ยวนี้ก็นึกออกเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาแก้กันเดี๋ยวนี้นะสิฉันเป็นคนมีสัจาวาจาและซื่อตรงต่อสัญญาเสมอแม้ว่าสิ่งที่ฉันสัญญาไว้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็ตามพรานใหญ่ผิวปากหวือรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากมองดูร่อนอย่างขบขัน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 นักวิทยาศาสตร์บนหรือแก้บนไม่ได้เหรอฉันก็บอกคุณไปแล้วตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันฉันบนเจ้าป่าขอยพบพวกเราพร้อมหน้ากันมดครบหมดทุกคนโดยไม่มีใครขาดหายไปแล้วก็ได้พบจริงๆบนสกอตไวขวดหนึ่ง